อืม mm, ควรแกเวลาแล้วยกมือขึいい้นใส่หัวสุดาสุ็จสัสมีดิเรกสิกมาช่วยก็ฟังนิดหน่อยอย่างเดีวนการดู้ปฏิกิริยามีเกรรมทางพระพุทธศาสนาไม่ต้องจุดทูปจุดเพียน จลใจจลใจยังสมรจารไ่ยา่ายไม่ยากง่ายก็งายก็งายก็งายกายก็่ายก็ง่ายก็งา็ง่ายง่ายายายกยกง่ายก็างาายน็ง่ายงา็าก็งายก็าก็ก็ายก็ากงายง่า่าาายก็ายก็่ายกายกายกายก็งก็ง่งายกก่ายากา สุขุสุขุเ น, เนียน่ยแต่จะส ม, มุดหน้าทำบูชาข้าวบูชาด้วยกายบูชาด้วยวาจาประก็บพ้อมกันกก่าวอิมนาส ก, กาเลนันั่นเรียบง่ายกิตารบูชาด้วยพิจารณ์และเทสมาลีกิจรกิจรสุาทั้งความเกียจใจ สังรวมกายละกาแต่ว่าสังรวมวาจาไมนาสกาเดนะสังรวมจิตใจดูลมเข้าลมออกคิดจะเรียนที่พิจารณาดีและเรียนดีนับวัดมาสูตรตัวมาสูตตัวที่สามารถยงบุญได้ลามาลามาด้นั้น นั่นแหละเรียกว่าไปวัดไปทาบุญใส่บาตรเราจะีนรจิตธรรมะจิใสุระบารมีเราจตนเสร็จสาย่สุบกาญญาใส่บาตรทำทานทำบุญทบุญใส่บาตรให้เข้าใจทำทานเข้าน้มโพอจนาอาหาร ของร่างกายบุญคืออาหารใจพาดูแล้วเมื่อกี้นี่ดูสวรรค์กิจการน่าเป็นจิตุกญญาอัตือด า, า, านามำอันดานนนี่อันนี้ถืาดานสียจถ้าถอว่นิตวนกะาพิจรดยันจีาพารา้กนกะมีารพิจารณา้วักีการากันะมาริจาาวักจการดยกันจาพา้วนีพารนีรารามาธิ ภาวนาเนี่เป็นของสําคัญมากสําหรับดูสวรรค์วันหนึ่งมีกี่นาทีเจ็ดพันสองอยกว่านาทีหรือเจ็ดรอยเท่าไหร่นี่แหละแต่ชั่วโมงหนึ่งมีหกสิบนาทีหกสิบไปคูณสิบสองชั่วโมงหนึ่งเป็นเท่าไหร่เราใช้เวลาน่งวันหนึ่งมีกี่นาทีหนึ่งนาทีเป็นอาหารของใจ ดูใจเ a ื่องใจรักษาใจหนึ่งวันมีอะไรกี่นาท n กี่ชั่วโมง k ี่ส k าธินี้สำค a ญม n กที่เราให้อาหาร a ่ a งก a ยกี่ a ั่วโมง a ละเราให้อาหารจิตใจกี่ชั่วโมงหนึ่ a วันมีอะไ a กี่ e ั่ p โมงเ kita ่ a g i b a g i apa yang banyak. ก็สิอาหารกุศุก a าดังห k a อก็สิ่งอาหา i กุศุกพิจ a ร a นอะไรเป็นอะไรที่สำคัญกว k าก a n a ี่อาหา a พ a จิ a ัน n รืออาหารบาดั a เราต้องดูดิเองต้องดูด d i r i เพราะฉะนั้นนี่แหละจึงจำหลองตาจึงจำหลองปู่จึงจำทุกขังทุกขังมาเข้าไหนก็ให้เน่นหลักภาคทำสมาธิคือรักษาใจ สังขารร่างกายรักษาเท่าไรเลี้ยงเท่าไรแต่งเท่าไรก็เท่าก็าแก่ก็เก็บก็ตายก็พัดพากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจสังขารร่างกายไม่เที่ยงมันทุกเกิดมาทุกเป็นทิ้งสิ k i เ a ย a ิจ i t a าที่ก i รกระ m a าน t ี่ a ้องไม่ตาอา้องไม่ i Kita ถรักษาได้ ค i อ e, i ada, e, buat, e, ี่กิ i ล้ a น n ิธีล้านนี่ไม่ได้เพื่อนำมาทีนั่นทีถ้า a ม a ไ a ้ a ัจจัยหรือว่าตายนั่นทีพ i ธีล a n นนี่คือยังจะได้ที่กำพร้าใ l a เราทีถ้าเร a ไม่ได a ไม่ไ n a เพ e ่อนำไปค b ามเ k ียหาย a ็เสียหายกัน n ยอะมากนั t e ที a ้าเราจัดที่กันก็จะ s ีคว รักคำสอนของพระพุทธเจ้าในปไตยปีดกแปดหมนสี่พัน 4, ปฐ ร, ร, รมาขันมารวมอยู่กายกับใจดามาสมุ dalam ทิารราคดรริดเราทำทีราิดที่เราาคิดที่เิดที่เราคดาทำที่เาคิาดที่าทดที่ราทคิตาสมวยรดราทาที่ี่ดเาราคิด่ิี่เราเาคที่ราดที่ำคที่ด จำง่ายๆพราว่าวเจ้าสอนง่ายๆก็คืออยากให้ดูจุดนี้ชิก ด, ดูล่างกายของเราไม่เที่ยงเกิดเจ้าแก่เจ็บตายที่นี่อาหันใจทำไมจะทำไม่ได้ดูลงเข้าลงอลัเมื่อกี้นี่เห็นคนสุกไหมไม่มีรักไม่มีโลภเกิดขึ้นในหัวใจนะั่นสุขเืินยิ่งหัวความสงบไม่มีอยากให้ทำบ่อยๆกิจกร menjalankan สัต a an ah un, an, uh, uh, ์ a าร์ i เพื่อเดิ a ทางหรือว s าจะ a ป็น u ป a h มขั้นตอนที่กำหน a n e ้ก็ d ด้ a ต่ a ิ a งที่ส t คัญ a ี a สุ e ค i อการที่เราต้องมีความม t ่น i จในตัวเอง ใน i ู a ่าก็ท a ่ a ราซึา่งได้ก a ทุกอ a ่างในรูมา่าแต่ที่เราสร้ า, าล้วมําื่อไปนี่นเราไม่ร้ว่าจะทำอย่างไรที่เราที่ร้ว่าจะทนอั่างไร เราถ้าได้ตังค์ก็มีสิ่ e นอ m ม่วงเกี่ย m กับเรื่อ a นี้ตอนที่มันเล็กๆก็จะมีการเล่นกีฬาตอนที่มันโตขึ้นก็่ะมาการเล่นกีฬาตอนที่มันโตได้นก็จะมี่ารเล่นกีฬาตอ as e p e ม t i k i t a m e n ็จะ g a การเล่นกีฬา ฟังแล้วไม่ไปทำกเหมือนทานอาหารบอกทางอาหารเท่าไหร่ไม่รับประทานมันก็ไม่อีมบอกทําบุญเท่าไหร่ไม่ทำไม่ดูไม <Too. S 2> ่เห็นไม่รู้ไม่ได้ซื่อเช่ด้วยเศรษีกิตาสิรยานมาแก่นอนอย่างแม่แม่มาแก่นั้นที่ได้มากันไม่ได้แขางแก่งไม่ได้เอารสตินี่ยเศรษฐีร a ่งตาสั่งับทีกิตาไ่ไดมากันอย่างแม่แม d a ม่ได้แข็ง สำคัญจุดนี้อย่าเืียกันความเล็กน้อยนะอันนี้เป็นทิ้งสักการีฉะนั a น i ูปะทุกๆวันเวล t เราเียเรารูทปนถ้าเราทุกวันทุกวันเวลาเราเสียชีวิตแล้วเราก็รู้ทางไปสวรรค์ทางไปพรนิพพานเราจะทุกข์ได้ไม่ละกุก a าร i ุกๆวันเวลาเร n เสียชีวิตแล้วเราก l รู้ทาง a ปสวรรค์ทางไปพร มันไม่ยุ่งยากมันไม่ได้ซื้อหลงตาจิ้งจั่มแล้วจํางีถ้าได้ซื้อเหมือนของแต่งกายหลงตาก็ไม่บอกหรอกของแต่งกายมันยุ่งทำไมเราชอบยุ่งแท้แก่หลวงตาบริเตาเรียภารีหวงตารองเอมองดีๆศสุชาห์ก็อุส่าดีอันนี้เดียดีสิดีดีกิจลาเาเดียดที่สามารถมันดเข้ามาสุดเข้ามาสักจัยไม่ได้ไม่ไดอะรที่มันเ ด้วยหน้าคุณกุศลอดทนนด่โยมลูกหลานแด่ีพี่น้องไม่เสียตลาดจากการจากงานจากบ้านกเครื่องมาทำทานก็ดีปวดมนไหว้พระก็ดีนั่งสมาธิภาวนาจิตใจนิ่งสงบก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่พวกเราได้ทำแล้วนี้คุณกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์หลวงปู่หลวงพ่อได้ปฏิบัติมาแล้วก็ดีก็จงมารวมกันทุงปกป้องปกปักษรักษาอดทนแด่โยมลูกหลานแด่ตีพี่น้อง ตอมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัยกัรงานจึงใดกันเงินจึงใด้อานาจารย์จึงได้กระจงสำเสร็จกระจงสำเด็ดโดยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและต้งมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสิ่งเห็นธรรมเห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรคเห็นปณิพาน์ในปัจจุบันในชาตินี้เท่านั้น semoga ส a นติรา a นะและ a ็ a uh, uh, ัจจะ y ี่เราทำใน i ันนี้และพระม i n รจา a ด e ลลอนทัลล a ก i ละก็ a ัจจะที่เราทำใน a ันนี้ a าร่วมยินด u สุจร e ตสุนทรีขอพ l ถ้ d ความสุขสบายดีสุขภาพแข็ง a รงดีความเจริ a n ุ a n เรืองและประสบความสำเร็จขอบค สาธุดังดังสาธุไปตบมือไม่ได้สุตีกิมบาลิ่าลวงปู่ไปเรียกเจษฎานะเรียกเขาตู้พันเตใส่ใส่เอาไปชำะเมลดาอกไปทำงนไม่ได้นเองอ๋อไปทำงานที่สาธุไี่ออฟ Jalaja itu jenjuk, betul. Kalau berbumbung, menjadi kampung anglo. Dan itu bukan, bukan orang buta, orang buta tidak macam begitu. Sudah menjadi satu. Kena waktu sudah bantai selesai apa satu. Bukan seperti udumia dia pakai tangan. Berapa tong gata sapi? ของผู้ใหญ่ก็ไม่ให้ตรวจน้ำให้ระลึกทางใจใช่น้ำใจของเราลึกถึงผู้ล่วงรับดับขันไปก็ดียะดตินที่นอกผู้จา้จาตาใยก็ดีจงทราบภริยาบิณ์ีรับคุณกุศลจากพวกเราได้ทำแล้วนี่ความหมายคือระลึกในใจเอาเออจะได้ยังคิดการปติสงขันสมาหลมผู้สี้ผู้มันเรียว ไม่ต้ a งใช้ a วลารอเท e ่ยงบ n g เต็นน่าไม่ n g องใช้ท่ว t อาร์ดังที i สำคัญอาร์เดียดคิด n ะ a ิตาต n t หน e ่งนะ a ย่าลืมกูยังแคร k เน a น e ที่ส a ดแล้วมีดิบกันหรือที yaitu a ุดแล้วที่สุ n แล้ว a ี่ส t ด a ล a วที่สุดแล้วมีดิบ l ั s ที k ตัวเป็น a s เป็นบัวเ KA ็นน่าครับเร็จสิ้นกิตาหันยต yang อ u เ u ิมลู u หลวงปู bilang, ่มั่นเป็นเรื่องดีดี a ู้ได้ท a ่วไปทั่วไปมันบ้างอะไร r ดว่ a เดวีตูนจากจากบนสู่จากด้านล่างเพื่อเป็นการกระ a ำจา a หลวงปู่มั่นและเราจะพูด a n งว่าถ้ k หา a มนุษย์ท u สิ่งดีๆหรือส a ่ a ที่ดีๆหรือสิ มน i ษย์อย a ่ตู้วันเส m ร์วันอาทิ e ย์อะ t ร e ั้นเสาร์ศรีตร r งไ a s ลยคร a n suara yang besar- ใ e r a ใหญ่สุดเ a d e w ให้พระที่วิ่งได้ยิ k a ร a ถ้าเราทราบว่ามันเป็นอ a n าง n